มันสติจึงเป็นเหมือนกับขุนคลังของพระเจ้าจากักรพรรดิสติเหมือนกับขุนคลังที่ไม่เลอะเลือนเกี่ยวกับเรื่องราชทรัพย์ราชสมราชทรัพย์ทั้งมวลของพระเจ้าจากักรพรรดิฉันใดขอถวายพระพรสติเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยจึงไม่เลอะเลือนไม่สับสนว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลอะไรมีโทษไม่มีโทษเลวทำที่เลวหรือประณีตสิ่งที่เป็นของดําหรือของขาวเนี่ยนะ อะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอันนี้หมายถึงกรร ม, มบดว่าอะไรเป็นกุศลกรร ม, มบดอะไรเป็นอกุศลกรร ม, มบดละอกุศลกรร ม, มบดเจริญกุศลกรร ม, มบดเป็นต้นได้อย่างไรไม่เลอะเลือนเกี่ยวกับเรื่องอวิธีการสร้างวัตตะคืออุปกิเลสทั้งหลายและไม่เลอะเลือนวันนี้คือคุณธรรมที่นําออกจากวัตตะคือสติปัญญานสัมมาปาัญญาอิทิบาทอินทรีย์พละโพ่อชงและองค์มครรคทั้งหลายไม่เลอะเลือนไม่สับสนในสมถะวิปัสนาวิชชาและ วีมุดเพราะสติมีลักษณะไม่เลอะเลือนบุคคลผู้มีสติคือพระโยคาวจรโยคาวจรผู้มีสตินั้นจึงเลือกเจริญแต่สิ่งที่ควรเจริญไม่เจริญไม่เสพสิ่งที่ไม่ควรเสพไม่ควรเจริญเลือกครบแต่ทำที่ควรครบ ไม่คบทำที่ไม่ควรครบเหมือนคนมีสติรู้รู้จักเพื่อนเนี่ยนะรู้ว่าเพื่อนคนไหนควรครบเพื่อนคนไหนไม่ควรครบเมื่อเขามีสติเขาจะแยกออกว่าเออนี่ควรครบนี่ควรอยู่ใกล้นี่ควรห่างนี่ควรพูดด้วยมากหน่อยนี่ควรพูดแต่น้อยหน่อยคือเขาแยกเป็นนะ แยกเป็นแม้กระทั่งทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรควรเห็นอะไรไม่ควรเห็นอะไรควรฟังอะไรไม่ควรฟังอะไรควรรู้เลิ่นไม่ควรรู้อะไรควรรู้รถรถชนิดไหนควรรู้ไม่ควรรู้ความคิดเหล่าใดควรคิดหรือไม่ควรคิดอะไรควรทำไม่ควรทำเนี่ยนะ จำเนกแยกแยะวิจารณญาณอย่างนี้แหลเรียกว่าเป็นผู้มีสติเนี่ยนะวันสตินี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความโง่เขลาแบบระลึกแบบเนี่ยระลึกนี่ไงสีเสียงอันนี้ไม่พออยู่แล้วละ่ะวันผู้ที่มีสติอย่างแท้จริงเนี่ยจึงเป็นผู้ที่รอบรู้มากรอบรู้เท่ากับเแบบว่าอย่างว่าบ้านเมืองทั้งหลายเนี่ยการเงินการคลังถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ประเทศชาติจะล่มจมหรือจะล่มสลายจะรวยหรือจะจนก็อยู่ที่การคลังฉันใดชีวิตของเราทั้งหลายก็อยู่ที่ กระทรวงการคลังใจของเราก็คือสติเนี่ยนะว่าดูว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใจเนี่ยคือสติเนี่ยจะท่านขยันขันแข็งขนาดไหนเนี่ยนะอันนี้ในยะที่หนึ่งเนี่ยนะบอกว่าสติมีความไม่เลอะเลือนคือไม่สับสนอย่างที่สองพระคุณพระเจ้าไม่ลินถามว่าพระคุณเจ้าสติมีความเข้าไปถือเอาถือเอาเป็นลักษณะเนี่ยถือเอาอะไรบ้างสติ ขอถวายพระพรมหาบาพิสติเมื่อเกิดขึ้นย่อมรับรู้ด้วยดีซึ่งคติแห่งธรรมทั้งหลายคติแปลว่าความเป็นไปรู้ความเป็นไปของเนี่ยนะเพราะแสดงว่าอันนี้ก็แปลว่าสติตัวนี้เหมือนกับตํารวจรจราจรเนี่ยนะเปรียบเหมือนเหมือนพวกจราจรเนี่ยที่รู้ความเป็นไปความเป็นมาเนี่ยนะคือรู้ความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายว่าอะไรเกื้อกูลและ ไม่เกื้อกูลเหมือนกับว่าผู้ที่รู้เรื่องยาเป็นพิเศษว่ายาชนิดไหนมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์รู้ความเป็นไปของยารู้ความเป็นไปของอาหารว่ามีอุปการะหรือไม่มีอุปการะฉันใดมันผู้ที่มีสติรู้ความเป็นไปว่านี้เกื้อกูลนี้ไม่เกื้อกูลนี้มีอุปการะนี้ไม่มีอุปการะเนี่ยนะ คือคนที่จำแนกได้เนี่ยคืคือจำแนกวันนี้ป่าประมิตรนี้กาลยานมิตรอุ้ยเจริญเยอะแล้วนะขนาดนี้เนี่ยนะนี้แค่ว่านี้คนดีนี้คนชั่วอ่านอุ๊ยอ่านเป็นขนาดนี้ก็โอ้ชีวิตนี้โก้เยอะแล้วแรู้ว่าอะไรเป็นคนดีอะไรเป็นคนชั่วเนี่ยนะอะไรควรเจริญอะไรไม่ควรเจริญแม้แต่ว่าไอ้ความคิดไหนมันเป็นความคิดที่ดีไหนเป็นความคิดที่เลวเนี่ยนะไหนเป็นคําพูดที่ดีไหนเป็นคําพูดที่เลวไหนเป็นการกระทําที่ดีไหนเป็นการกระทําที่ เลวเนี่ยนะโหถ้ารู้ความเป็นไปได้อย่างนี้ก็ถือว่าพิเศษมั้นสติเนี่ยรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้จริงๆรู้เลยว่าตัวเนี่ยตอนเนี่ยกำลังเดินเดินทางไปสู่ไหนนะอย่างเช่นคนที่เจริญสติคือเจริญมรณ า, านุสติเนี่ยนะไม่เผลอ ER เล ย, เ น, ยนะว่ากําลังเดินทางไปไหนเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนที่จะตายเป็นต้นเนี่ยจะควรได้รับประโยชน์อะไรอย่างสูงสุดนั่นเรียกว่าเป็นคนมีสติบางคนว่าโอ้ตายแนย่ก่อนตาย อบายมุกให้มันหนักขึ้นกว่าเก่าก็แน่ น, นะก็จะได้บ่ายหน้าไปสู่อบายแค่นั้นนะมุกแปลว่าทางเนี่ยนะอบายแปลว่าเสื่อมมันถ้าดำเนินอยู่ในทางแห่งความเสื่อมจะไปไหนก็ไปสู่ภพภูมิที่เสื่อมแน่นอนมันผู้ที่มีสตินั้นจึงรู้ว่านี่เกื้อกูลนะนี้ไม่เกื้อกูลเนี่ยนะคนที่รู้ว่าอะไรมีความเกื้อกูลไม่เกื้อกูลอะไรมีอุปการะไม่มีอุปการะเนี่ยเจ๊งได้ไหมเสื่อมได้ไหมตกต่ําได้ไหมคนที่ไม่รู้เลยเนี่ยนะแน่นอนใช่ไหม ตกต่ำแน่นอนเสื่อมแน่นอนแต่คนที่แยกแยะว่าอะไรเกื้อกูลไม่เกื้อกูลมีอุปการะไม่มีอุปการะพูดแบบคนรู้จริงนะไม่ใช่เดาๆาไอ้สมเดาเนี่ยนะไม่ใช่สมเดาแต่หมายความว่ารู้จริงในสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์เหมือนอย่างว่าคนที่รู้หวยว่ารู้อะไรออกจริงเนี่ยนะรู้จริงๆเลยเขาจะซื้อไอ้เลขผิดๆไหมไม่ซื้อให้ผิดหรอกเขาทําแต่สิ่งที่มันถูกอย่างเดียวมันผู้ที่มีสตินั้นสติจึงเป็นอะปันนักธรรมเป็นธรรมะที่ไม่ผิด ใครที่มีสตินั้นจึงเป็นคนที่เรียกว่าถ้ามีสติจริงอ่ะนะไม่ผิดแน่นอนไม่พลาดอย่างแน่นอนเพราะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เกื้อกูลไม่เกื้อกูลอะไรมีอุปการะอะไรไม่มีอุปการะเพราะสติมีลักษณ ะ, ะถือเอาถือเอาอย่างนี้เนี่ยนะพระโยคาวจรย่อมขจัดสิ่งที่ไม่เกื้อกูลออกไปอะไรที่ไม่เกื้อกูลอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ตัดได้ตัดไปเนี่ยนะ แล้วก็อะไรที่เกื้อกูลควรเสริมเพิ่มเข้ามาก็เพิ่มเข้าไปเนี่ยนะเพิ่มเข้ามาขจัดสิ่งที่ไม่มีอุปการะถือเอาแต่สิ่งที่เป็นอุปการะขอถวายพระพรสติชื่อว่ามีการเข้าไปถือเอาเป็นลักษณะอย่างนี้แหละบอกว่าพระขอพระคุณเจ้าจงอุปมาให้ฟังหน่อยเถอดเนี่ยนะว่าสติที่ว่ามีเออสติที่ว่าเข้าไปถือเอาถือเอาอย่างไร เปรียบเหมือนให้รูปธรรมเนี่ยนะพูดเป็นรูปธรรมให้มองเห็นภาพหน่อยเธอขอถวายพระพรมหาบาพิษเปรียบเหมือนว่าปรินายกแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิอ่าปรินายกแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะกำหนดรู้ใจของบริษัทที่เข้ามาเฝ้าพระราชาหมดเลยคือคือด้วยบุญของพระราชาเนี่ยนะทําให้ด้วยบุญของพระราชาเนี่ย ทำให้ปรินายกแก้วของพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยมองเห็นหน้าก็รู้ใจเนี่ยนะมองเห็นหน้าปั๊บเนี่อรู้ใจเลยว่าไอ้คนนี้เนี่ยเขาคิดยังไงกับพระราชาคือคือเขาพระคุณปรินายกแก้วเนี่ยเป็นโดยมากเป็นลูกชายคนโตของพระราชาเป็นราชโอรสองค์ใหญ่เนี่ยนะก็คือรักพ่อเป็นชีวิต จ, จิตใจแล้วรู้มองหน้าปับ๊บรู้ใจหมดเลยเนี่ยนะแค่ว่าประชาชนมาเป็นล้านๆคนนีแยกได้เลยว่ากลุ่มไหนมี คิดอย่างไรกับพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะเพราะนั้นปรินายกแก้วคนนี้จะรู้จักใครที่เกื้อกูลต่อพระราชาหรือไม่เกื้อกูลต่อพระราชาแยกมิตรแยกบัณฑิตอันนะั้นเรียกว่าแยกพานแยกคนที่เรียกว่าแยกอะไรนะแยกผู้พักดีและผู้ประสงค์ร้ายเนี่ยนะคือคือปรินายกจัดของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะเป็นคนที่รักพระเจ้าจักรพรรดิตายยอมตายแทนพระเจ้าจักรพรรดิแลมองออกด้วยว่า ใครเป็นศัตรูของพระราชาใครเป็นผู้มีอุปการะต่อพระราชาใครที่มาส่งเสริมพระราชาใครที่มุ่งทำลายพระราชานันเขาแยกออกเลยวันนี้เกื้อกูลพวกนี้ไม่เกื้อกูลพวกนี้มีอุปการะพวกนี้ไม่มีอุปการะขะจัดคนที่ไม่เกื้อกูลออกไปเนี่ยนะคับเลยว่ากลุ่มนี้ไม่ให้เข้าเฝ้าเนี่ยนะพวกนี้ให้อยู่ห่างที่สุดเท่าที่จะห่างได้เนี่ยนะกลุ่มนี้ ให้เข้าเฝ้าเพราะฉะนั้นขจัดคนที่ไม่มีอุปการะถือเอาแต่คนที่มีอุปการะกำจัดคนที่ไม่เกื้อกูลถือเอาแต่คนที่ เกื้อกูลมันบ้านเมืองใดเนี่ยนะเอาแต่คนที่เกื้อกูลหวังประโยชน์หวังความเจริญมาอยู่ใกล้เนี่ยนะถามว่าบ้านเมืองจะเจริญขนาดไหนใช่ไหมกุศลจิตทั้งหลายก็เหมือนกันมันคนที่มีสติเนี่ยนะแยกว่าอะไรเกื้อกูลไม่เกื้อกูลรู้ว่าอะไรควรคิดไม่ควรคิดอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดพูดอย่างนี้มีอุปการะพูดอย่างนี้ไม่มีอุปการะการทําอย่างนี้มีอุปการะการทําแบบนี้ไม่มีอุปการะเลือกที่จะทํา คนถ้าเลือกทําได้มันก็วิเศษแล้วใช่ไหมถ้าเลือกพูดได้ก็วิเศษเลือกคิดได้ก็ยิ่งวิเศษถ้าเลือกทํากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็แปลว่าเสื่อ ม, มนัม้นเขาจึงเลือกที่จะเจริญกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขต่อไปนั่นนะเพราะฉะนั้นสติจึงเข้าไปถือเอาเพราะเนื่องจากสติเข้าไปถือเอาอย่างนี้แหละเนี่ยนะ สติเมื่อเกิดขึ้นจึงรู้ว่าอะไรเกื้อกูลไม่เกื้อกูลนี้มีอุปการะนี้ไม่มีอุปการะสติเนี่ยนะทำเป็นเหตุให้พระโยคาวจรขจัดสิ่งที่ไม่เกื้อกูลออกไปถือเอาแต่สิ่งที่เกื้อกูลขจัดสิ่งที่ไม่มีอุปการะถือเอาแต่ธรรมที่มีอุปการะสติเข้าไปถือเอาเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าสตินี้เป็นสิ่งที่มีความำสำคัญมากเพราะว่าสตินั้น จำปรารถนาในที่ทั้งปวงหรือสตินั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในที่ทั้งปวงแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสติเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสติจารณะคือสติของพระองค์เนี่ยบริบูรณ์เต็มเปี่ยมพระองค์เป็นผู้ที่ไม่สับสนเนี่ยนะเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสติเนี่ยพระองค์จึงเลือกเฟ้นเจริญคุณธรรมปฏิบัติจนได้แต่สรู้เป็นพระพุทธเจ้า ความที่พระองค์เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะอย่างบริบูรณ์เนี่ยนะพระองค์จึงไม่สับสนในเรื่องของการใช้ชีวิตตลอดระยะเวลา4 5่0 0ปาเนี่ยนะพระองค์ระลึกได้เสมอะระลึกในกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมระลึกถึงสิ่งที่มีโทษและไม่มีโทษนั้นพระองค์นี่เป็นผู้ที่มีสติหนักแน่นมั่นคงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างแท้จริงเนี่ยนะก็ดูว่าพุทธคุณทั้งมวลเนี่ยที่ที่เป็นไปได้เนี่ย ที่สําคัญมากเลยก็คือเนื่องจากว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีสติเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติเนี่ยนะที่เร า, าทบทวนระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดทีนี้สติของพระองค์เนี่ยเป็นสติที่ได้รับการบ่มการอ บ, บรมจนเป็นอภิญญาเป็นสติที่ใหญ่มากสติเหล่านั้นก็เลยเป็นปุปเพนิวาสานุสติญานเนี่ยนะเขามีเรื่องเขาคุยกันอย่างเช่นเนี่ยเมื่ออดีตชาติที่สมัยพระองค์เป็นมหาโควินทพรามเนี่ย อย่างเช่นปัญจสิกขคนทันเทพบุตรมาเล่าว่าเนี่ยสนังกุมารพรมมาเล่าเรื่องของพระองค์สมัยที่พระองค์เป็นมหาโควินพระองค์ระลึกได้อยู่หรือบอกเราระลึกได้พระองค์ระลึกได้ระลึกได้ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในชาติปัจจุบันหรือเหตุการณ์ในอดีตชาติเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่ระลึกชาติของพระองค์เองและระลึกชาติของบุคคลอื่น ชาติคือคือการเกิดเนี่ยนะในหนึ่งชาติชาติก็คือการเกิดขึ้นของขันอายตนะที่มีอยู่ในอดีตไม่ว่าจะเป็นหนึ่งชาติสองชาติสามชาติ4ี่ชาติห้าชาติส0บ0 30, 40, 50ี่ห้าสชาติร้อยชาติพันชาติแสนชาติหลายายแสนชาติเนี่ยนะตลอดสังวัตตกับวิวัตตกับเป็นอันมากพงระลึกได้เป็นอสงไขยอสงไข้หลายหลายอสงไขย ว่าในพบชาติที่เวียนไหวาตายเกิดอันหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะเจาะจงได้เลยว่าในพบนั้นเนี่ยเรามีชื่ออย่างไรเนี่ยนะคล้ายๆกับว่าสมมติถ้าคนที่มีความจําแม่นยําที่สุดเลยเนี่ยนะสมมติอาชีวิตเอาเกิดมายกตัวอย่างว่าเกิดมาอายุ50ปีเนี่ยนะ ทบทวนเลยว่าเมื่อตอนนั้นอายุ25ปี3วันเนี่ยนะอายุ25ปี3วันตอนเช้าทานอาหารอะไรตอนสายไปทําอะไรพูดกับใครทําอะไรตอนกลางวันเรียกว่ารอบ24ชั่วโมงระลึกได้หมดจําได้ไหมก็ฝันว่าอะไรบ้างในตอนนั้นเนี่ยนะระลึกได้ขนาดนั้นเนี่ยนะมีสติแม่นยําขนาดนั้นเขาบอกว่าคนที่มีสติลักษณะนี้เขาบอกว่ามีไหมอบอกว่าโอ้ย เ, เรื่องธรรมดาถ้าเป็นเป็นคนที่ที่สมัยสมัยก่อนเนี่ยนะ ขบอกว่ายกตัวอย่างพระเทรรรูปหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นชาวสีลังกาท่านมีสติขนาดเรียกว่าอะเงี้ยตอนเช้าเนี่ยนะตอนเช้าเนี่ยให้คนรวมตัวอยู่ในเมืองทั้งหมดเลยแล้วใครเดินออกนอกเมืองในเรียกชื่อตัวเองเลยเรียกชื่อบอกเลยติดสะปุษสะเทวมาฆาเป็นต้นเนี่ยแล้วก็เดินออกทุกคนพูดเนี่ยนะถ้าเดิน ทีนี้ตกตอนเย็นนะพวกนี้เข้ามาใหม่ท่านจะนั่งเรียกชื่อเลยนะนี่นา ย, นายติดสะมาคาเนี่ยท่านทําได้ขนาดนั้นนะพวกเนี้เข้าออกเนี่ยทั้งเมืองนจําชื่อได้หมดเลยพูดแค่ครั้งเดียวแต่พระเหล่านี้ท่านทรงพระไตรปิกกันเท่านั้นนะคือคื อ, ค, อความสามารถขนาดนั้นแต่อันนี้ถ้าเทียบกับพระนนท์บอกอยังห่าง ก, กับพระนนท์นักเนี่ยนะถ้าเทียบกับภาษาริบุตรพระนนทกับภาษาริบุตรพระนนทก็ยังห่างภาษาริบุตรเยอะมากเนี่ยนะ ถ้าภาษาริบทเทียบกับพระพุทธเจ้าศาสดากับสาวกเนี่ยเทียบกันไม่ติดเลย